เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มสองหรือมหาสติปฐานสูตรฉบับปรับปรุงใหม่2 5 5ห้าห้างานเขียนที่คุณดังตรินภูมิใจและถือว่าดีที่สุดในงานเขียนของท่านทั้งหมดคู่มือสำหรับนักภาวนายุคใหม่แนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งละเอียดทุกขั้นตอนด้วยภาษาเข้าใจง่ายแต่ยังคงแน่นไปด้วยสาระธรรมตามพระคมภีเดิมเชิญรับฟังกันได้เลยครับ